ที่ผ่านมาเราทาวัดเย็นจบลงแล้วตอนนี้ไปมีโอกาสฟังตั้งใจฟังการฟังหลายครั้งหลายหนหลายเที่ยวแต่ผู้พูดที่เองอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเองเมื่อพูดก็ไม่เด ตั้งท่าตั้งทางบางทีก็ไม่ได้คิดพอขึ้นมาคำพูดอันไหนโผล่ขึ้นมาก็จับมาพูดพูดพูดพูดเอาปัจจุบันเข้าว่าพอพูดแล้วจะจบบางทีระ ล, ลึกไม่ได้จดึงเลซ้าไปว่าพูดเรื่องอะไรอันนี้คือธรรมป่าถ้าจะว่างไปแล้วเพราะนั้นถ้าว่ามีสิ่งมารบ ก, กวนอย่างมี เสียงรบกวนบ้างแฟดบ้างอะไรบ้างที่คนไม่ตั้งอยู่ในความสงบจะพูดไม่ออกแปลว่าพูดไปแล้วมันหลงเงือนมันหลงซ่อนตัวเองไม่รู้พูดเรื่องอะไรเพราะนั้นการพูดธรรมป่าเนี่ยโดยมากจะอยู่ในที่สงบสงัดเงียบสงัดหรืออย่างน้อยถึงไม่เงียบสงัดก่อนอยู่ในชุมชนที่ตั้งใจฟัง อยู่ในระดับหนึ่งไม่ ใ, ใช่ว่าจุนจา้านวุ่นวายเสียงอุตโรเฮโลแล้วจะมาพูดธรรมะนี่โดยมากจะพูดไม่ค่อยออกพอพูดขึ้นไปในระดับหนึ่งคล้าว่าเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของงานอยากจะนิมนต์ให้ท่านพูดแล้วก็ท่านพูดแบบเสียไม่ได้พูดพูดไปยั ง, งนะั้น่ะเพราะว่ามันพูดแล้วมันพูดไม่ออกมันขยับไม่ออกธรรมะมันไม่ออก เหมือนกับดึงขาเต่าออกจากกระดองอย่างนั้นแหลอมันไม่ออกแต่ถ้าหากว่าอยู่ในชุมชนตั้งอยู่ในความสงบธรรมะป่าในร่มมากจะไหลรื่นออกมาแต่ตามไม่จริงก็ดูการสาธานที่บุคคลอีกเหมือนกันนะถ้าหากว่าบางครั้งถึงจะมีคู่คนมาฟังเป็นจิตใจลักษณะ มากพอสมควรแต่ธรรมะมันไม่ออกมันเห็นเห็น <ๆ S 1> แล้วมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ไม่พร้อมที่จะขยายมันไม่พร้อมที่จะออกแต่บางคนบางครั้งพอนั่งไม่กี่คนแต่ว่าธรรมะที่ออกมาคล้ายๆว่าบุคคลที่ฟังนั้นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้สนใจแล้วก็ ที่พูดออกไปยอมรับกันได้อันนี้แปลว่าผู้ฟังผู้พูดก็มีความตั้งใจหรือว่ามีความสนใจที่จะพูดมันออกมาเองเมื่อนั้นจุดนี้แต่บางครั้งเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์บางองค์บางครั้งที่ท่านพูดไม่ได้เรื่องเลยฮะอันนั้นจะเพึ่งไปตําหนิท่านมันเป็นการลเทสะบุคคล แต่บางครั้งท่านพูดเสียดังฟิวฟิวอะพูดได้คล่องแคล่วแต่บางครั้งในเหนื่อยอืดอาดเพราะเหตุไรเพราะธรรมะมันอย่างที่ว่านั่นอยู่ในจิตใจของครูบาอาจารย์แต่ละครั้งนะแต่ลุงพ่อเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าหากว่าอยู่ในความไม่สงบลุงพ่อเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกัน ไปพูดในที่สาธรารณะบางครั้งก็ต้องเลยขอร้องอย่ามาถ่ายรูปนะอย่ามาคุยกันนะถ้าว่าใครมีกิจธุราให้ออกไปข้างนอกนะอย่าอย่าเปิดโทรศัพท์นะในขณะที่ฟังธรรมใกล้ๆถ้าใครมีธุระจาเป็นจะต้องมีเรื่องพูดคุยให้ออกไปนอกวงการก่อนเพราะธรรมะที่จะพูดเนี่ยถ้ า, าว่ามีเสียงบุ่นไบ มีเสียงอะไรรบควรโดยมากมันจะแวววับหมดว่างั้นหายหดไปเลยต้องตั้งต้นใหม่อีกนะโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นวันนั้นวันนี้เป็นวันฟังธรรมเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันแรมแปดค่ำเดือน1ิสองปีสี่สิบเก้า ทุกวันพระแปดคำ่ำส15้าค่าพวกเราก็ได้ทําวัดสวดมนต์อย่างทุกครั้งไม่เคยขาดทางว่าเป็นวันอุโบสถพระท่านโคลงอุโบสถ ด, ด้วยแล้วก็มีทําสังฆกรรมก่อนแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระแต่ทาว่าไม่มีสังฆกรรมอย่างวันพระแปดค่ำก็มีการสวดมนต์จากนั้นก็เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราประจํามาโดยสม่ําเสมอ วันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านการปฏิบัติธรรมพวกเราจะไปถือว่าจำเจหรือว่าบ่อยหรือว่าทําไมยิงปฏิบัติแต่พวกเราทานอาหารทุกวันพวกเรายังทานไม่เห็นว่าอะไรมันน่าลําคาญยิ่งกว่าอะไรอีกทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นยังพออกพอใจในการเป็นอยู่การอยู่การกิน แต่ในการปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจพวกเราทําไมจึงท้อแท้อ่อนแอทําไมบ่นอุบับถ้าไม่ใช่กิเลสพาท้อแท้อ่อนแอแล้วคงไม่มีอะไรเพราะนั้นพวกเราจะจัดการกับกิเลสอยู่แล้วกิเลสภายในใจของเราขี้เกียจขี้คลั่งอ่อนแอราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตในใจของเราอยู่แล้วพวกเราก็พร้อมที่จะดู ต้นตอของมันอยู่แล้วพร้อมที่จะถอดถอนกิเลสเหล่านี้ออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะขี้เกียจขี้คา้านยังไงก็ตามให้พวกเราฝืนสั่วไว้ซะกอ่อนเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ขี้เกียจเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ต้องพยายามโน้มน้าวชักจูงทั้งพระเดชพระคุณเพื่อจะให้เด็กเรียนหนังสือ พราะว่าพ่อแม่เห็นคุณค่าในการเรียนแต่เด็กไม่เห็นคุณค่าอันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายชักจูงแนะนำโน้มน้าวเพื่อจะให้พวกเรารู้เห็นคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติธรรม เหมือนกันที่พ่อแม่โน้มน้าวให้เด็กนักเรียนลูกหลานของเราที่ยังไม่เข้าโรงเรียนแต่ถ้าหากว่าเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนหนังสือแล้วเห็นคุณค่าในการเรียนแล้วจะนี้ถอนไม่ขึ้นเลยอยากจะเรียนอยากจะศึกษาอยากจะค้นคว้าในตำรับตำรานั้นๆให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดมีหลายแขนงมีหลายวิชาที่จะต้องศึกษา นี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายอันดับแรกเราก็ต้องถูถกันไปก่อนบางทีมันก็ให้นั่งภาวนาเนี่ยโหมันไม่สู้เลยแต่เมื่อเราพยายามโน้มน้าวพยายามหาแนวความคิดเข้ามาปรับปรุงกายว่าจาใจของเราแล้วนั่นแหละที่นี่พอเห็นคุณค่ามันก้าไปเองทีไม่มีใครบังคับขู่เข็นอะไรทั้งหมด มันเห็นภัยในวัตะสงสารอย่างที่พระพุทธเจ้าพราะแม่กูบาจารย์พูดจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะแต่ขนาดโลกการเป็นอยู่ของโลกเรามาพิจารณาดูแล้วโลกทั้งหลายเขาก็ว่าน่าอยู่น่าทัศนนาน่าอยู่น่าศึกษา มีความสุขแต่เอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาแล้วเอามาวัดเอามาจับเอามาพิจารณาดูเอามาเทียบเคียงดูกับโลกที่ว่าเขาว่ามีความสุขนั้นไปคนละทิศทางกันธรรมมักของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องของจริงเห็นของจริง เออมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่โลกของเขาไม่ยอมรับคล้ายๆว่าปิดบังไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้ า, าร่างกายของเราเนี่นะมีธาตุสีดินน้ำลมไฟมีอสุภะเต็มไปหมดนะในร่างกายมีเกษาผมโลมาขนนักขาเลพทันตาฟันตะโจหนังมังสังเงือเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ใน ตัวของเราใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธถ้าแยกแยะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าดูภาพรวมแล้วกิเลสมันดูภาพรวมแล้วมันจะพยายามตกแต่งให้ร่างกายเป็นของเสร็จสวยงดงามผมก่องามเนีผิวก่องามตาก่องามจามูกก่องามอะไรมันก็ว่ากันไปไล่กันไปเรื่อยเนีปากก่องามฟันก่องามกิเลสมันเสกสรรไปอย่างนั้น แต่ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาแล้วร่างกายสังขารมันเป็นของอสุภะนะปฏิกูลนะอีกสักวันหนึ่งจะเท่าแก่ชะลานะร่างกายเนี่ยจะทรุดโทรมลงไปน ะ, ะผมหงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวร่างกายหลังคอมจากนั้นก็นอนตายในแผ่นดิน เ, เมื่อตายก็จะต้องคืนอืดจะต้องแตกสลาย ดินสูดินน้ำสูน้ำลมสูลมไฟสูไฟหายสาบสูญไปยังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็คือธาตุดินนะั่นแะอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าก็ละลายกระดูกก็ละลายแต่ละลายช้าไปหน่อยที่จะกลายเป็นดินร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพื่มเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่โลกทั้งโลกโดยมาก เขาจะไม่ค่อยพิจารณาและเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสภายในจิตใจของมนุษย์ชาติของเราเนีเ่ยยังแน่นหนายังหนาแน่นยังมีความหลงมากมีความโลภอยู่มากาโลภโกรธหลงยังอยู่ในหัวใจของมนุษย์ชาติของเราถ้าว่าไม่มีการพิจารณาไม่มีการปรับปรุงแก้ไขไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ก็มันก็ยังหนาแน่นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อไรเราได้ศึกษาธรรมะพระทำคําสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอบุญวาสนาบ ร, รมีเก่าที่เคยสั่งสมอบรมมาติดพบติดชาติบุญเหล่านั้นกุศลเหล่านั้นก็วิ่งเข้ามาเสริมแนวความคิดของพวกเราเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามแนวแถวนั้น เพราะนั้นการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่ใช่ว่าจะปุับปรับในภพนี้ชาตินี้ก็จะรู้ได้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมท่านสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่พระสาวกทางหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็นบำเพ็ญมาสักเท่าไหร่มีแต่นานเท่านานเน่แต่และท่านแต่และองค์เพราะนั้นจะภาวนาทีเดียวจะให้สําเร็จ ได้ทีเดียวนั่นก็คงจะยากแต่ว่าตามไม่จริงก็ไม่เหลือวิสัยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระสาวกพิกษูใดท่านผู้ใดบำเพ็ญอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมไม่ให้จิตออกนอกสติปัฏฐานสี่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาท่านเหล่านั้นถ้าว่ามีบุญบารมีเก่าเสริม เจ็ดวันอ่าเจ็ดวันจะได้สําเร็จเจ็ดเดือนอย่างช้าเจ็ดปีเป็นอย่างช้ามากให้ข้าว่าท่านรับรองไว้อย่างนั้นแต่ตามไม่จริงเมื่อเราพิจารณาการพูดนะพูดง่ายแ ต, แต่ที่จะทําใจให้สงบหรือทําใจอยู่ในจติปฐฐานสีนั้นนาทีหนึ่งเจ็ดใจของเราไม่ลวบไปที่ไหนต่อที่ไหนไม่ใช่ของง่าย ถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้บางกลุ่มบางคณะฟังถ้าว่ามีสติอยู่ในจติปฐานสี่จริงๆคือเห็นโทษจริงๆเห็นภัยจริงๆในชาติชรามรณะเห็นโทษเห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายของเราไม่เป็นอย่างอื่นใครเข้าเหมือน ความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพญามัจจุราชถือดาบเดินอยู่ข้างหลังของเราพร้อมที่จะตัดคอของเราท่านเปรียบเทียบเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่งใส่น้ํามันงาในขันเทน้ํามันงาในขันคือเจ้าหน้าทีนะ่เขาบอกว่าเจ้าต้องถือขันน้ํามันงานี้อย่าให้หกแม้แต่หยดเดียว ถ้าหากว่ามันหกขึ้นมาเพชรสกาดอยู่ทางหลังของเจ้านะ่จะตัดคอเจ้าในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นเจ้าจงถือขันน้ำมันงาอย่าให้หกถ้าเจ้ารักในชีวิตของเจ้านั่นแหละดีนนี้บุุษภูนั้นจะถับยังไงให้เดินไปถึงเป็นหนึ่งกิโลถึงวหนึ่งโยต์สี่ร้อยเซนแต่นี้ก็ไม่ใช่ว่าดินราบเรียบ ดิ่มเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นถนนทอนทางเนะี่ยทีนี้เขาพยายามเดินอย่างประคับประคองเพราะว่าถ้ามันขาดสติเมื่อไหร่ขาดการระมัดระวังเมื่อไรคอของเราก็จะกระเด็นในขณะนั้นอันนี้แปลว่าเห็นโทษกลัวต่อมรณะภัยกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายบุรุษผู้นั้นเขาคนนั้นเขาจะต้องพยายามประคับประคอง น้ำมันงาอยู่ในขันนั้นจะไม่หหยุดจนสุดความสามารถของเขาอันนี้ท่านเปรียบเทียบกับผู้ที่อยากจะพ้นทุกข์หรือว่าอยากพ้นทุกข์ในวัฏสงสารให้จิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมถ้ากลัวแก่เจ็บตายเหมือนกับกลัวพยาพิชคาดถือดาบอยู่ทางหลังของเราเน่ยอันนั้นก็คงจะรักษา อยู่ได้รักษาสติปัฏฐานอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ได้ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจถึงขนาดนั้นน ะ, นะแล้วก็มรรคผลนิพพานก็คงรอพวกเราอยู่ถ้าว่าสติของเราเข้มแข็งถึงขนาดนั้นนะอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วจะมีคําถามย้อนขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่จัดว่าเป็นความอยากหรือถ้าอยากแล้วจะได้มรรคผลได้ยังไงเพราะอยากมันก็เป็นความอยาก อยากมันก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งแต่ตามไม่จริงความอยากกันนี้เป็นมักในตามแนวแถวของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าความอยากนี้จัดเป็นมักเป็นหนทางแต่ถ้าความไม่อยากไม่อยากอะไรเลยเหมือนกับคนตายแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคนไม่มีความอยากถ้ามันหมดกิเลสด้วยความไม่อยา ก, ก น, นั้นอีกอย่างหนึ่ง พอเต็มพร้อมบลิบูรณ์แล้วอันนั้นแปลว่าผู้หมดความอยากอันนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งและเป็นธรรมทั้งรุ่นแต่ถ้าหากว่าคนที่มีกิเลส ท, ทาท่าอุตริที่ว่าไม่อยากเนี่ยอันนั้นเป็นหายยนะเป็นความทุกข์เป็นเรื่องหายนะที่จะนำมาสู่จิตใจดวงนั้นตามไม่จริงคนที่อยากจะพ้นทุกข์อยากจะหนีจากทุกข์ อยากจะบำเพ็ญให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้ว่าจัดว่าเป็นมักมักคะเป็นทางที่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่บาเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องจิตตะภาวนาเนี่นะให้พวกเราใส่ใจถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ พยายามใส่ใจเอาไว้อันนี้ก็คือเรื่องธรรมะแต่เรื่องทางนี้เรื่องการเป็นอยู่ของทางโลกะเปรียบเทียบทางโลกกับทางธรรมทางธรรมนี่เป็นอย่างนี้ส่วนทางโลกของเขาการเป็นอยู่ทางโลกจะอยู่ได้อย่างไรถ้าว่าจะเอาธรรมะเอามาใช้ทางโลกมาอยู่ได้อย่างไรในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจา้าอะสาหรับครวัตญาโยมก็คือศินห้า นี่แหละศีลห้านี่แหละเป็นบันไดแรกที่จะให้โลกทั้งโลกสงบพรมเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลห้าไม่ใช่ศีลธรรมดานะเป็นศีลพระโสดาบันศีลแปดคือศีลพระอนาคามีคือศีลอภริยาแต่ศีลห้าเนี่ยเป็นศีลปิด อบายภูมิไม่ตกนรกตอะนั้นศินห้านี่คือศิลพระโสดาบันศิลของพระโสดาบันคือสินอัตโนมัติถึงจะรักษาหรือไม่รักษาเป็นศินโดยอัตโนมัติอยู่ในศินตัวเนี้ยพระโสดาบันจะมีศินห้าเป็นอัตโนมัติของผู้นั้นศิลอุโบสถก็เหมือนกันเป็นสินอัตโนมัติสําหรับอุบาสิกาอุบาสกคนนั้นจะรักษาหรือไม่รักษาศินแปดเป็นศิลอัตโนมัติ ปานาอธินาอภมจริยามุสาสุราพิการลโภนัจคีมาลาอุจจาร์แปลว่าเป็นศีลของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในปัตตสงสารเมื่อขึ้นสู่ชั้นผมแล้วก็ไปเลยนะแต่ว่ า, าพระโสดาบันนี่ยจะต้องมาวกุลเวียนมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาตนะิจากนั้นก็ จึงจะไปได้อันนี้ก็คือโลกนะบรไดแรกก็คือศีลห้าแต่ทีนี้เมื่อเรามีศีลห้าแล้วเราก็จะต้องพิจารณาการอยู่ในโลกเราจะอยู่ได้ด้วยอย่างไรมันมีหลายวิธีหลายสิ่งหลายอย่างเดือเกินในโลกวัฏสงสารใบนี้ทั้งอิจชา้าทั้งพยาบาทอาคาดมีทั้งหมด โลกกระทำแปดก็อยู่ในโลกที่เองโลกกระทำแปดตัวนี้ถ้าว่าเรามาพิจารณาดูแล้วถ้าพิจารณาแบบผิวเผินถ้าเราไม่มีสมบัติภรสถานไม่มียศถาบรรดาศักดิ์โลกกระทำแปดในเรามองดูมันก็ไม่เห็นจะมีสิ่งไหนที่มากระทบจิตใจของเราแต่เมื่อเราอยู่ในระดับได้ระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไป โลกกระทำแปดตัวนี้ไม่ใช่ของธรรมดาทําให้เราเสียศูนย์ทำให้เราเป็นบาปเป็นบอ่อทําให้เราเสียอกเสียใจอตกนรกหมกไหมไปมามากต่อมากแล้วเพราะเสียใจในโลกกระมำแปดมากระทบเพราะนั้นเรื่องโลกกระทำแปดนี่เราจะมองข้ามไม่ได้ในเมื่อเราเป็นมนุษย์ชาติโลกกระทำแปดนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านว่ามีลาบ เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสนะเสริญสุขภุกมันมียดทั้งสองอย่างคือสิ่งที่ต้องการและสิงงสงงะสงส่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ต้องการนั้นสี่อย่างสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นสี่อย่างอยู่ในโลกธรรมแปดสิ่งที่ต้องการนั่นคือมีลาบมียศสนะเสริญสุขอันนี้คือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการในอีกตรงข้ามกันเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกอันนี้แปลว่ามนุษย์ชาติไม่ต้องการแต่ถึงยังไงถึงจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามโลกกระำแปดนี้ท่านว่าผู้ใดก็ตามไม่กระทบมากก็ต้องกระทบน้อยไม่ โดนมากก็ต้องโดนน้อยจะไม่ให้ถูกเลยเป็นไปไม่ได้เมื่อเราอยู่ในโลกกะระทำอยู่ในโลกใบนี้ในเมื่อเราถูกโลกกระทำแปดเราควรทําตัวยังไงเราควรทําใจอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกไว้แล้วทั้งสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาให้เข้า่าไม่พึงปรารถนาก็คือ เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเนะี่ยอันนั้นไม่พึงปราถนาเนะี่ยเราก็ไม่ควรจะทําใจให้เสียอกเสียใจทําใจให้เป็นกลางเอาไว้เพราะทุกคนมันต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนในเมื่อกระทบสิ่งที่ไม่พึงปราถนาสี่ข้อเนะ่ยที่ตรงข้ามกับลาบยศสรรเสริญุกนั้นเราจะเสียคู่เสียคนปเป๋ไปได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราได้คิดไว้ก่อน เมื่อได้ลาบมาเราก็ทิ้วเออเมื่อได้เงินคำทรัพสมบัติมาอีกสักวันหนึ่งมันอาจจะล้อยลออาจจะหลุดลอยจากมือของเราไปก็ได้นะถ้าเราประมาทหรือเราไม่ประมาทก็เถอะบางสิ่งบางอย่างภัยวิบัติอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราควรคิดเอาไวา้ว่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเรื่องลาบแต่อีกสักวันหนึ่งอาจจะแปรปวนอาจจะหลุดมือของเราไปก็ได้ อันนี้ก็คือมีลาบขึ้นมาเราต้องคิดไว้ในใจเมื่อมียศถาบรรดาศักขึ้นมาเราก็ต้องคิดไวคื อ, อเรื่องยศเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะเคยเป็นมาแล้วเคยเห็นมาแล้วในโลกมากต่อมากเมื่อเราได้ยศอีกสักวันหนึ่งยศของเราเนี่ยอาจจะหลุดลอยหายไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทํำยังไงแหมอันนี้ก็คือใช้หลักธรรมะเข้ามา พิจารณาหรือประคับประคองตัวของเราเองเเมื่อมีสุขก็ดีเมื่อมีสรรเสริญก็ดีเราก็ต้องทําใจไว้ในเมื่อมันเจอเข้ามาจริงๆทีนี้ในเมื่อมัน เ, เาาจนนเอเอย่างที่พวกเราไม่พึงปรารถนา เ, นเนนามื่อเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศเมื่อถูกนินทาเมื่อมีทุกข์เราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงเออมันเกิดขึ้นมากับเราแล้ว เราควรจะทำใจให้เป็นกลางเพราะเราได้คิดไว้ก่อนแล้วเราได้พิจารณาไว้แล้วในสิ่งเหล่านี้จากนั้นเมื่อเราได้พิจารณาเมื่อเราได้คิดไว้แล้วถึงมันจะกระทบมันก็จะไม่กระทบแรงจากนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่พระพุทธเจ้าที่สัรสอนไว้แล้วว่าอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้าย ในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้มันมาเจอกับเราแล้วเราควรจะพิจารณาทั้งสองเงื่อนเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนั้นแล้วมันปล่อยวางที่ใจนะทีนี้เอมมันคิดที่ใจปล่อยวางที่ใจเพราะรู้แล้วว่า น, นี่คือโลกกระทำไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในการเป็นอยู่เพราะโลกเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านพร้อมหมดทุกอย่าง พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราพร้อมหมดทุกอย่างถ้าจะว่าไปแล้วเกิดพระองค์สวยประชาติในชาติสุดท้ายแล้วบารมีของพระองค์ก็เต็มเปลี่ยมพร้อมทุกอย่างแต่ขนาดนั้นก็เถอะถ้าว่าพระพุทธองค์ไม่มีบุญบารมีไม่มีอิทธิฤทธิ่ไม่พร้อมพอสมควรพระองค์ก็ท้าว่าเป็นคนสามัญชนธรรมดาเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจะว่าอย่างนั้นไว้เลยว่างั้นเถอะเออ อย่างพระเทวทัตจ้างนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยจ้างช้างนาลาจิลิงไปบทขยี้พระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนางจินจามนวิกหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ใครจะเป็นทักขีพยานก็นด้วยสัจจะบา ร, รมีบุญบารมีของพระองค์เท่านั้นที่เอาชนะในสิ่งเหล่านั้นได้จนถึงนาง อะไรที่เมืองอุตเชนีอันนั้นก็หาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าอีกทั่วบ้านทั่วเมืองอีกในคราวนั้นอันนี้ชาติจะว่าไปแล้วก็คืออะไรก็คือเนี่ยเรื่องลาบเรื่องยศเนี่ยแต่พระพุทธองค์ไม่หวั่นไหวไม่เมื่อเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้ น, เ, นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รู้ ว่าอะไรเป็นอะไรคือทำใจให้มั่นคงทำใจให้เที่ยงตรงพิจารณาทั้งสองเงื่อนจากนั้นด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าถึงใครจะว่าจะด่ายังไงก็ตามพระพุทธองค์บอกว่าเราบาเพ็ญมาเพื่อสั่งสอนโลกถึงเขาจะด่าเราไม่เกินเจ็ดวันอ น, นุหนเขาจะด่าว่ากล่าวเราด่าเราไม่เกินเจ็ดวันอนนห์เดี๋ยวเรื่องจะละงับไปเอง อันนี้คือพระพุทธองค์ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจา้าก็อย่างนั้นจริงๆถึงเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะหาเรื่องอยังไงก็ตามเรื่องทั้งหลายก็จะรงับภายในเจ็ดวันอันนี้ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจา้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายนไม่เป็นอย่างนั้นบางทีก็เป็นอย่างที่เขาว่าบางทีก็ไม่เป็นอย่างที่เขาว่าแต่ถึงยังไงถ้ามันโดนเข้ามาแล้วลกูกกระทำเข้ามาแล้วใจของเราเนี่ย วันไหวไควแขว่งพอสมควรว่าไงเถอไม่ใช่พอสมควรอนะ่ะมันมากจริงๆเลยบางครั้งถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปได้แต่ถ้าอย่างพระพุทธองค์เนี่ยท่านพิจารณาดูแล้วท่านอยู่เหนือโลกกระทำเพราะพระไทยของพระองค์บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเหนือโลกธระทโลกกระทำไม่ละใครพระไทยของพระองค์เลยแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้น พอโดนโลกกระทำเข้าไปใช่ไหยเป๋เหมือนงั้นแต่เสียความรู้สึกทุกข์ใจอย่างมากอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นโลกสมัยปัจจุบันไม่รู้กีก่ยุคกี่สมัยมาแล้วถ้าโลกกระทำกระแทกเข้าไปทีไรเสียสูญเกือบทุกคนเหมือนงั้นแอ่ดูแล้วหน้าคนไม่เป็นคนเลยเพราะเหตุไรเพราะว่าโลกกระทำตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดา แต่ถ้าว่าใครยังไม่ถูกนั้นพวกนั้นก็ยังยิ้มแย้มเขียมใสหัวเราะได้ว่าโลกธรรมเป็นของธรรมดาก็เหมือนกับความตายอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราพูดได้อย่างวันนี้ที่เราพูดเราสวดมนต์เราพูดได้แต่ถ้าเมื่อความตายมาถึงตัวของเราเท่าท่านจะต้องตายแล้วนะเป็นโลกมะเร็งแล้วอีกสองสามเดือน ท่านเป็นมะเร็งตับแล้วนะนะท่านเป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้แล้วนะนะคงจะไม่ไม่รอดละคราวนี้ถ้าเขาพูดให้ตรงๆอย่างนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมในจิตใจใจของเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้พิจารณาล่วงหน้าไว้แล้วร้อยทั้งร้อยแหวนไหวไกวแข่งเพอ้เพอเผอเข่าอ่อนตายก่อนกําหนดที่หมอกําหนดไว้จะ ด, ด้วยซ้ําไป เพราะเหตุไรมันไม่ใช่ธรรมดาเรื่องความตายเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นโลกก็ทำธรรมดาก็ยังขนาดนั้นมรณะภัยคือความตายยิ่งกว่านั้นไปอีกเพราะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะให้เหนือเหนือสิ่เหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใช้ปัญญาทีเมื่อพิจารณารู้เรื่องฮะรู้เรื่องทั้งสองเงินแล้วทาใจ ในเมื่อทําใจใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาทําใจเมื่อทําใจเสร็จแล้วก็กําหนดใจไม่ให้มันคิดไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเราเข้าสู่สนามเพาะอย่างนั้น่ะออสนามเพาะเรียว่า ส, สนามหลบภัยที่สู่มสึกสงครามอย่างนั้นในเมื่อกระสุนมาในทิศทั้งสี่เราหลบอยู่ในหลุมคืออยู่ในสมาธิเรือ่องการพิจารณา ใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วการพิจารณาก็เหมือนกับเราสร้างหลุมเพาะนั่นะหสนามเพาะของเราเราใช้สนามเพาะเป็นที่กำบังเป็นบังเกอร์แล้วจากนั้นเราก็ลงไปมุดอยู่ในหลุมนั่นก่อนอพิจารณาดูทาว่าสิ่งที่ควรจะแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเราก็ปรับปรุงปรับปรุงตามที่ มันเป็นจริงที่เราควรจะแก้ไขได้แต่บางสิ่งมันอย่างมันก็สุดวิสัยที่เราจะแก้ไขมันก็ต้องปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีในสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ยินร้ายในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้แปลว่าผู้อยู่ในโลกต้องได้คิดอย่างนี้เอาไว้นะไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งละพวกเราท่านทั้งหลายต้องเจอนะ อย่าไปคิดว่าพวกเรายังไม่มีไม่มีพรมีไม่มีทรัพ ส, สมบัติไม่มียศถาบรรดาศักดิ์จะให้เสียในโลกธรรมนั้นมันโลกธรรมตัวนี้ก็คือความตายเราจะต้องเสียร่างกายของเราใจของเราจะออกจากร่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นละ่ะเราจะต้องเสือ่อมลาภเห่งเสื่อมลาภคือคือเสื่อมร่างกายของเราออกจากใจ วันนั้นเราจะมีความทุกข์มากอันนี้เราต้องคิดไว้อยู่เสมอมาถึงตัวของเรานะอันนี้คือความตายในตัวของเราให้คิดไปอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราคิดได้ถึงขนาดนี้แล้วโลกธรรมภายนอกถึงจะเสื่อมราบเสื่อมยศอย่างอื่นถ้าเราคิดถึงจุดนี้แล้วตัวนั้นจะไม่หวั่นไหวเพราะอันนี้เป็นมหาสมบัติที่เราหวงแหนที่สุด ยศถาบรรดาศักดิ์ที่หวงแห็งที่สุดคือร่างกายถ้าเราพิจารณาปล่อยวางปรงวางของร่างกายแล้วส่วนอื่นเราปล่อยปรงวางได้ทั้งหมดทำใจให้เป็นกลางได้ทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราไม่เคยคิดเลยสิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อว่ามันเป็นเรื่องหนักหนาพอสมควรนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ทั้งอกทั้งใจพิจารณาเมื่อเราอยู่ในโลกจะต้องผ่าน สิ่งเหล่านั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ใครจะมากน้อยกว่ากันยังไงเท่านั้นเองแต่เรื่องมราณะภัยวาระสุดท้ายเนี่ยเสมอกันหมดไม่มีใครยิ่งย่อนกว่ากันก่อนที่ใจจะขาดมีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าการตายนะเออแตกต่างกันบางทีอาจจะน้ำท่วมบังไฟไหม้บงังถูกฆ่าถูกฟันบงังหัวใจวายบางังเก็บไข้ได้ป่วยบ้างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น การสวยทุกนั้นคงจะแตกแตกต่างกันแต่ผลที่สุดคือคือใจขาดไม่มีใครไปถามได้มาเมื่อเจ้าใจขาดเนี่ยนาทีที่เจ้าใจขาดเจ้ามีความรู้สึกยังไงอันนี้ไม่มีใครถามพอไปแล้วไม่มีใครถามได้เพราะงั้นพอมันตายแล้วแต่ใครขึ้นมามันจังใจไม่ขาดมันก็ยังไม่ทุกอย่างเมื่อสลบไปแล้วมันก็ยังยังไม่ทุกอยู่เหมือนกันในเมื่อใจ หมดลมไปแล้วเนะี่ยเป็นยังไงไม่มีใครมาบอกให้รู้อีกแต่คิดว่าตรงทุกในแน่เพราะนั้นเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้อย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถึงจะตายยังไงก็ตายเถอะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะอย่างพระโมกคราที่ถูกฆ่าตายท่านก็ไม่เดือดไม่ร้อนท่านจะตายวิธียังไงท่านก็ไม่ทุกต่อสิ่งเหล่านั้นถูกไฟเผา ตายถูกน้าท่วมตายถูกคนฆ่าตายถูกอะไรก็ตับท่านจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถึงข่าวแล้วเหรอกลัมของเรามาถึงแล้วเหรอกลัมของเราได้กระทาในอดีตไว้สาหัสมาแล้วทำให้แกเขามาแล้วมาถึงเราแล้วเหร อ, อ้าวเรายินดีอันนี้เมื่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันแล้วท่านไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหว แต่ถ้าวันนอกจากนั้นลงมาแล้วเอวันไว้แคว่ง ไ, ไ, ไ, ไปด้วยกันทั้งนั้น่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ทําใจเอาไว้ก่อนพิจารณาเอาไว้ก่อนอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้พบได้เจอแน่นอนทางว่าพวกเราได้คิดไปล่วงหน้าแล้วถึงยังไงจะดีกว่าพวกเราไม่คิดถ้าพวกเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อน่ะในเมื่อภัยเหล่านั้นมาถึงเราจะมีความทุกข์มาก ในจิตใจแต่เมื่อเราได้พิจารณาลวงหน้าไว้ก่อนแล้วความทุกข์เหล่านั้นถึงจะมามันก็มีสนามเพาะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมันมีที่กำบังมีที่หลบซ่อนเพราะใช้หลักธรรมะใช้หลักธรรมะเป็นที่หลบซ่อนคือสมาธิทาใจแล้วก็ปัญญาพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นปัญญานี่มี มีประโยชน์ในที่ทุกสถานปัญญาเกิดกับมนุษย์เกิดกับคนก็จริงอย่างในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าอธิษฐานทำทำควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างอันนี้ก็พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้คนเกิดมาต้องมีปัญญาแต่ถ้าว่าเราไม่ส่งเสริมต่อเติมขึ้นไปปัญญาของเราก็ร่อยหลอหลุดหล่นลงไปได้ ต่ำต้อยลงไปได้แต่ถ้าว่าเราเกิดมาแล้วส่งเสริมปัญญาด้วยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาธรรมะปฏิบัติพยายามปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราพยายามศึกษาและกับปฏิบัติไปด้วยปัญญาของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงไปตามลาดับลำดับไม่ว่าคดีโลกและคดีธรรมถ้าว่าคดีโลกถ้าเราศึกษาขึ้นไป ปฐมมัธยมปณิญ atri โทเอกเอกหลายแขนงเออโปรฟิเซอร์อีกผู้ชำนาญการไปเรื่อยๆมีหลายแขนงอีกอันนี้ก็คือปัญญาอันนี้ปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมะเนี่ยกพิจารณารอบรู้ในกองสังขารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างในเนี้ยในเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วขนาดน่ะจะรอบรู้ในสิ่งต่างๆ รอบรู้ในกองสังขารก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาทั้งนั้นปัญญาเนี่ยถ้าว่าเราใช้ไปในทางเป็นสัมมาทิฐิไปในทางธรรมะก็เกิดประโยชน์แต่ใช้ปัญญาไปในทางโลก เ, เอารัดเอาเปรียบจองล่างจองผานทาศัตราอาวุธอันนั้นแปลว่าปัญญาทางโลก ปัญญาเบียดเบียนอันนั้นก็เป็นมหันต์ประไเหมือนกันทําลายล้างโลกอย่างมหันต์เหมือนกันเอปัญญาตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราให้มีปัญญาเนี่ยคือปัญญาสมาธิหนึ่งให้มีปัญญาดูกายดูใจของพวกเราและก็สัจจะ สัจจะก็คือทนเราให้มีสัจจะอธิษฐานทำทาคนตั้งไว้ในใจสี่อย่างสัจจะจาระธรรมะอุปจมะสัจจะคือความจริงใจทำอะไรพยายามให้จริงจังตั้งความสัตย์ขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้ดี ในเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วสิ่งนี้ไม่เกิดประโยชน์สิ่งนี้เกิดประโยชน์จากนั้นเราก็ตั้งสัจจะเราจะไม่ทําสิ่งที่มันชั่วอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าสินห้าของครว่าต์ญาติโยมเนี่เราพิจารณาดูแล้วศินห้าข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิเราพิจารณาดูแล้วชีวิตเขาชีวิตเราเราก็รักชีวิตของเขาเขาก็รัก ชีวิตพ่อแม่พี่น้องวงศานาญาติของเขาขอกอรักถ้าเราไปทําร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรของเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมใช่ในเมื่อใช่แล้วข้าพเจ้าจะตั้งจัตเจ้าอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รักชีวิตของคนอื่นคนอื่นเขากอรักเช่นเดียวกันเพราะนั้นข้าพเจ้าเห็นคุณค่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศิน ข้าพเจ้าจะตั้งสัจจะข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้คือสัจจะเหมือนกันงั้นจะไม่ทำโดยเด็ดขาดเออถิ่นข้อที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะตั้งสัจจะว่าการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อคนดื่มสุราเข้าแล้วสามารถทำความชั่วมากมายหลายอย่างเพราะคนขาดสติเพราะนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสัจจะ จะไม่ดื่มสุลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม้ทั้งสัจจะอธิษฐานในใจว่าจะไม่ทําความชั่วในสิ่งเหล่านั้นนะอันที่สอคือสัจจะให้มีอยู่ในจิตใจของเราไม่มีใครที่จะตั้งสัจจะให้แก่เรานอกจากตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านน ะ, ะธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าและจาค้าก็เหมือนกันจาค้าในสละสิ่งของ อสิ่งที่เป็นประโยชน์ออและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จาคะนี่ยสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราก็เสียสละไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเสียสละออกไปออในความชั่วทั้งหลายทั้งปวงการกระทําของเราเอาสละออกไปไม่เอาแล้วกะจาคะเบริจาคเป็นสิ่งที่มันดีให้เกิดประโยชน์จาคะเสียสละแก่บุคคลที่ควรให้ อันนี้ก็คนที่อยู่ด้วยกันในโลกวัตตะสงสารก็ต้องมีจา่าฆาการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันถ้าอยู่ลําพังคนเดียวจ่าฆาไม่จําเป็นไม่รู้ จ, จะจ่าฆาให้แก่ใครถ้ามีสองคนขึ้นไปแล้วก็ต้องมีมีการเสียสละต้องมีจาคะต่อกั น, นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคําที่พระพุทธเจ้าบัญญัติออก ให้พุทธบริษัทของพองระองค์ปฏิพัติปฏิบัตินะั้นมีคุณค่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วนะอุปสมะสงบสติหรืออารมณ์อันนี้ก็คือการสงบจิตใจของเราอย่าให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราตวนจะใข้ควรทบทวนดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่มันไม่ถูกต้อง เราควรแล้วครับข่มเอาไว้ระงับเอาไว้อย่าให้มันออกนอกรูกนอกทางด้วยอาศัยบุญบารมีอาศัยอำนาจบุญกุศลอาศัยความเข้มแข็งของเราพยายามข่มเอาไว้ดูเอาไว้ปรับปรุงไม่ให้มันสิ่งที่ชั่วขึ้นมาสู่จิตใจของเรานี่แหละ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอธิษฐานธรธรมทมควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างปัญญาสัจจะจาขะอุปจมานุสติอันนี้ถึงมาพูดถึงด้านจิตตภาวนาแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยหรือว่าเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันแต่ถึงยังไงปัญญานี่เป็นสิ่งที่ควบคุมกว้างขวางอย่างมาก สามารถที่จะใช้ในที่ทุกสถานกับบุคคลกับสิ่งของกับชีวิตประจำวันทุกอย่างต้องใช้ความคิดถ้าว่าคนเราอยู่แบบไม่คิดไม่อ่านจะราบรื่นเรียบร้อยคงจะหาได้ยากชีวิตของเราจะไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่การเป็นอยู่ต้องคิดต้องอ่าน ต้องใช้ปัญญาการะเทศะปุคคลการสถานที่ควรทำตัวอย่างไรปรับปรุงแก้ไขยังไงมันขยันอดทนอย่างไรอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นปัญญาปัญญาหาอยู่หากินปัญญาที่จะมองดูกายใจของเราชาระใจของเราให้บริสุทธิ์ดูพ้นก็คือเพราะปัญญาอันนี้คือปัญญาเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะฝึกควรจะศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว อาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือจากพระไตรปิฎกล้วนแล้วแต่เป็นบอกเกิดแห่งปัญญาทั้งนั้นแต่บอกปัญญาหลงพ่อเห็นในชานดกท่านบอกว่าปัญญาก่อนที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องตั้งความสงสัยทห็นว่านะให้มีความสงสัยเมื่อเห็นอะไรก็ตามเมื่อพิจารณาอะไรก็ตามให้ตั้งความสงสัยไว้จุดนั้นอันนั้นแหะคือบอกเกิดแห่งปัญญา ถ้าว่าเราคิดเห็นอะไรก็ตามเห็นแล้วก็เฉยเอยผ่านไปก็ผ่านไปไม่ได้คิดอะไรถึงเขาจะพูดอะไรให้ฟังก็ตามไม่ได้คิดเฉยปล่อยอย่างนั้นปัญญาจะเกิดไม่ได้เพราะมันมันไม่มันไม่ได้คิดมันไม่ได้ไตรตรองได้เหตุและผลแต่ถ้าว่าเรามีความสงสัยในใจออทาไมพูดอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เออทำไมเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยนั่นแหละเป็นบอกเกิดแห่งปัญญา อันนี้ปัญญามีหลายระดับปัญญาที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักจริงๆก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิให้เห็นอ้อเ น, นจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็คือปัญญาขั้นยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนาก่อนที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างนั้นในหลักของพุทธะที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ก็คือสุดตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง ได้ยินได้ฟังแล้วนำมาคิดมาไตรตรองเหตุและผลจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาหรือว่าไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นได้ยินทบทวนดูไข้ควรดูไตรตรองดูด้วยปัญญาเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วอันนี้แปลว่าจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากทาจิตให้สงบ นี่แหละเป็นปัญญาที่พวกเราควรจะศึกษาและก็ควรจะปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังจุดนี้คือพยายามทําจิตให้สงบซะก่อนจะบริกรรมกรรมฐานไหนภาวนาจุดไหนกรรมฐานมีหลายๆอย่างแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้บริกรรมกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คืออานาปานสติ กำหนดลมหายใจเขา้ารู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกให้มีสติเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบจิตอยู่หวังนั่ะแหละจิตสงบจิตอยู่เอจิตมีสมาธิมีอยู่สามขั้นขนั้นกะสมาธิสมา ธ, มาธิแบบอารมณ์แบบบริกรรมแล้วก็มีอารมณ์สงบชั่วขณะหนึ่งออันนี้แปลว่าคณ้กะอุปจาระแปลว่า สติกับจิตกำหนดดูอยู่จิตคิดเรื่องอะไรใจคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรใจของเราคิดเรื่องอะไรอันนี้แปลว่าอุปจารสมาธิถ้ามันลงลึกลงไปกว่านั้นอีกเ ม, อเมื่อพิจารณากำหนดดูกายพิจารณาดูใจจะลงลงไปสู่ความสงบลึกลงไปเป็นอัปปนาสมาธิอันนั้นแปลว่า เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งที่สุดคืออัปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ด้วยตนเองว่าขณะนี้จิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกจะไม่รู้สึกว่าเรานั่งอยู่ในณสถานที่ใดทินใดจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาจากสมาธิเราจึงรู้ได้ว่าจิตของเราถอนขึ้นมาแล้ว อแต่ว่าจิตประเภทนี้ไม่ใช่ว่าจิตสงบที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปคิด เ, เพราะจิตประเภทนี้เป็นจิตที่มันมีปัญญาพร้อมอยู่ในตัวของความรอบครอบอยู่ในจิตดวงนั้นดิไม่ใช่ภาวนาไปอยู่กลางถนนก็จิตสงบอรถวิ่งมาในทิศทางสี่ก็จะมาเนี่ยจะทํำยังไงฮะอันนี้แปลว่าคนไม่เคยนั่งภาวนาแล้วก็คนโง่อีกต่างหากแล้วอวดดีอีกต่างหากอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ เพราะผู้ที่จะทำจิตให้สงบหรือจิตจะสงบประเภทอย่างนั้นไม่ใช่สถานที่วุ่นวายเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดจิตจึงจะดิ่งเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อจิตถึงฐานอัปปนาสมาธิจากนั้นก็ย้อนไปมาอุปจาระเมื่ออุปจาระสมาธิก็มาพิจารณาให้เห็นร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นให้พิจารณาร่างกายเณเกษารมาณนาขาทันตาตะโจพิจารณา ธาตุสีดินน้ำลมไฟเมื่อพิจารณาถึงร่างกายทุกส่วนแล้วมันไม่มีความสงสัยว่าร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างอื่นเต่มันจะไม่เป็นเพชรเป็นเพชรนินจินดามันคงจะไม่เป็นทองคําทั้งแท่งขึ้นมามีแต่มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะแตกสลายมันจะเน่ามันจะเปื่อยสู่ดินน้ำลมไฟพิจารณาเวลาไหนมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วทีนี้เราจะทํำยังไง เราก็ต้องย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วแกทำไมไปยึดไปถือว่าสิ่งเหล่า น, นั้นว่าเป็นตัวตนของเราแกไปให้ความสำคัญมากเกินไปแล้วนะร่างกายออในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายของเราเป็นอยู่นี้ทำไมใจของเราจึงไปให้ความสำคัญมันมากถึงขนาดนี้สมควรแล้วเหรอจากนั้นเราก็ย้อนเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้ที่ ไปพิจารณาเขาเมื่อไปเห็นเขาในเมื่อร่างกายทั้งร่างเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราจะแตกสลายจู่ดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะปฏิกูลอยู่แล้วสิ่งที่เนื่องจากกายโลกธรรมแปดอย่างที่ว่านะีะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาทุกนะัน น, นไม่พึงปาถนาเนะ่ยเราก็ไม่ควรจะทำใจให้เสียอกเสียใจทำใจให้เป็นกลางเอาไว้ อันนั้นมันเป็นเปลือกนอกที่สุดวงสาคนาญาติพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายดินฟ้าอากาศเงินคําทรัพย์สมบัติขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อเห็นร่างกายขณะดน้นมาเห็นใจนะมันปล่อยวางมันรู้ที่ใจท่นี้มันเห็นอยู่ที่ใจรู้ที่ใจใจรู้รู้ตัวเองแล้วทีนี้ ทนันยิพอมันพิจารณาเข้ามาถึงใจถึงตัวผู้รู้มันออกไปจากใจทั้งหมดที่จะไปให้ความสาคัญเหล่านั้นอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นสําคัญอันนี้ขี้เหล่อันนั้น เ, เหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะสมมันใจของเราไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหรันทั้งหลายท่านเพ่งเข้ามาสู่จิตใจดูที่ใจนี่แหละธรรมะขั้นสูงสุดท่านดูที่ใจ อันนี้จังที่ไหนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้จังทุกขังอนาตาัตตานี่แหละธรรมะอันัตตานี่แหละที่จะทำลายล้างจิตใจล้างความรู้สึกของเราเมื่อเราพิจารณาที่ว่าตัวผู้รู้เนี่ยกับไม่ใช่เรามันยังเป็นอั น, นิีจังของไม่เที่ยงอยู่ มันยังเป็นทุกข์อยู่จะเป็นตัวเราได้ยังไงไม่ต้องพูดถึงร่างกายสังขารสิ่งที่เป็นนอกๆตัวรูน้นี่มันยังมีทุกข์เมื่อตัวทุกข์มีสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละจากนั้นเราก็พิจารณาปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจนั่นเนะมื่อปล่อยวางแล้วเราได้อะไร สิ่งนอกเหนือจากที่เราปล่อยวางนั้นมันสลัดขาบมันสลัดเสื้อออกอย่างนั้นเหมือนเราถลกถลกเสื้อออกจากร่างกายโยนทิ้งอย่างนั้นทีนี้กิเลสราคะโทสะโมหะที่เราสลัดทิ้งนั้นใจของเราบริสุทธิ์เป็นทองคำร้อยปอเซนขึ้นมาเท่าอบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้น เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดนอกเหนือจากโลกสมมุติเข้าไปไม่เจอเข้าไปไม่ถึง เ, เมื่อเราพิจารณาปล่อยวางจุดนั้นแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนการภาวนาหรือการปฏิบัติเราอยู่ในโลกวัะสงสารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเสียยืดยาวการเป็นอยู่ทำตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นฆรวาสญาโยมเมื่อเป็นพระสงฆ์องค์ขเจ้าเมื่อเรา อยู่ในโลกโลกกระทำแปดข้องงำแล้วควรจะทําจิตยังไงอธิษฐานทำควรทําใจไว้ยังไงนีจากนั้นก็เมื่อพิจารณาและสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราให้ความสําคัญเขามากเกินไปใช่ไหมมันจึงสําคัญมันยังท่วมท้นหัวใจของเราเราจึงเป็นทุกข์ในเมื่อเราพิจารณาแล้วเราปล่อยวางที่ใจของเราสิ่งเหล่านั้นมันก็หมดความหมายที่จะมาท่วมทับหัวใจของเราใจของเราก็คือ ปล่อยวางความบริสุดหลุดพ้นก็จะอยู่ที่ที่ตัวของเราเองที่ใจของเราเองเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะการบาเพ็ญทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวหลวงพ่อคิดว่ากล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวความคิดไม่ผิดแน่วาง้นเถอะเป็นไปตามแนวแถว อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ถึงยังไงการภาวนานกระยึดยกรรมฐานเบื้องต้นกําหนดลมหายใจเข้าออกเนะี่ยตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพวงเราจากนั้นกับพิจารณาเห็นร่างกายเมื่อจับลมได้แล้วก็เห็นร่างกายพิจรณาเห็นร่างกายพิณาเห็นดูตัวผู้รู้ตัวใจเนะีเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจทั้งหมดนะการภาวนาเนี่ยจะไปพิจารณาชวนอื่น ไม่พิจาราถึงใจแล้วยังไม่ถึงนะเอยังไม่ถึงต้นตอของมันถ้าพิจารณาถึงใจแล้วนั้น่ะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่นั่นถอนที่นั่นทอดถอนที่นั่นอความหลุดพ้นหมดจดจากกิเลสมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจนั่นแหละจะบริสุทธิ์ที่มันโกกระโ b o ที่สุดก็คือใจเมื่อชําระกิเลสราคาโทสะโมหะออกแล้วใจบริสุทธิ์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิด เป็นอนันตการนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดธรรมะเป็นแนวภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังเสียยืดยาวนะขอยุติเพียงเท่านี้เอาต่อนี้ไปนั่งภาวนาต่อวันนี้เอาส่นี้ก่อนนะการนั่งภาวนาที่ศาลาเป็นเพียงแต่ว่าการนั่งให้ประเดิม รวการศึกษาเท่านั้นเองที่จะเอาจริงจังให้ใหกลับไปที่กุตติของตัวเองอ น, นั้นคือนั่งภาวนาจริงจังอันนี้เป็นการแนะนำและเป็นการสอนวิธีการนั่งแต่ถึงยังไงพวกเราเคยนั่งมาแล้วก็นั่งเพื่อให้รับรู้รับทราบตึงจะเป็นพวกเก่าแล้วก็นั่งไปก่อนเพื่อมีพวกใหม่เข้ามาก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษานะให้เขาว่าเป็น แนวทางของพระพุทธศาสนาการนั่งสมาธิทําอย่างไรน่นะนะแต่เตงจะเอาจริงเอาจังนั้นต้องนั่งที่กุติพราแม่คุบายอาจารย์ท่านแนะนําอย่างนั้นตอต่อเนี้ไปกันเลยกันนะะก่อนที่ออกจากสมาธิทุกครั้งเแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล น, นะทุกครั้งก่อนที่ออกจากสมาธิ